เจญพท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่บุญฝ่กุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ส4บสพรกฎาคมพุทธศักราช5 4 8ตรงกับวันพระรหัสขึ้น8ดค่ำเดือน8ปีรากาเป็นวันพระ วันทรรมวัสวันฟังธรรมวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของชีวิตของพวกเราชีวิตที่มีทั้งความสุขและมีความทุกข์พระเขากันไปเป็นชีวิตที่มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีหัวเราะมีร้องไห้ซึ่งเป็นสิ่งที่ แปลกสำหรับพวกเราเพราะเปนบ า, บางสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบไม่ต้องการแต่มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเหตุนใดนเพราะว่าเรานั้นไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับชีวิตของเราให้ถูกต้อง เรายังไม่รู้เลยว่าชีวิตของเรานี้ประกอบขึ้นด้วยอะไรต้องอาศัยคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนให้พวกเรารู้จักชีวิตของเราว่ามีองค์ประกอบเป็นอย่างไรแล้วมีลักษณะอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมในพระอริยสัจเ ทรงเห็นว่าชีวิตนี้ที่ประกอบขึ้นด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนสำหรับผู้ที่ไม่รู้ความจริงในชีวิตคือขันห้านี้ก็จะมีความหลง ทำให้เกิดมีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นของของเราเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มีความอยากคือตัณหาอยากจะให้ชีวิตนี้อยู่ไปนานๆอยากจะให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขอยากจะให้ชีวิตนี้เป็นไปตามความปรารถนาความต้องการของตน แต่ชีวิตนี้มันไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นสมบัติของเรามันไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นไปตามความต้องการของเราเราจึงมักประสบกับความผิดหวังเพราะเราอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขแต่มันไม่ยอมให้ความสุขกับเรามันมักจะสร้างความทุกข์ให้กับเราเรื่อยๆเช่นมันเริ่มแก่เริ่มเจ็บแล้วก็ตาย ซึ่งรู้นเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันทั้งสิ้นเมื่อเราไม่ปรารถนาเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมามันก็สร้างความทุกข์ใจให้กับเราดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้มาทำความรู้จักกับชีวิตรู้จักธรรมชาติของชีวิตให้รู้จักองค์ประกอบของชีวิตว่ามีอะไรเป็นอย่างไร แล้วควรที่จะปฏิบัติอย่างไรกับองค์ประกอบของชีวิตนี้ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติกับชีวิตนี้อย่างถูกต้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตนี้<ม>ก็จะไม่สามารถเข้ามาหยาบย่ทำทําลายสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราได้ถ้าเราไม่มีความรู้ และวิธีที่การปฏิบัติที่ถูกต้องกับชีวิตนี้มีแต่ความหลงที่อยากจะให้ชีวิตนี้เป็นไปตามความต้องการของตนคือมีแต่ความสุขมีแต่ความความไม่เสื่อมไม่ไม่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเรามีความปรารถนาอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความทุกข์อยู่รื่มไป พระพุทธเจ้าทรงได้ศึกษาเรื่องของชีวิตนี้มาอย่างถ่องแท้แล้วและรู้ว่าควรจะปฏิบัติกับชีวิตนี้อย่างไรคือต้องยอมรับความเป็นจริงของชีวิตชีวิตนี้มีการเกิดมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาถ้าจิตใจยอมรับความจริงอันนี้ได้จิตใจก็จะไม่มีความทุกข์แต่ถ้าจิตใจ ยังมีอุปทานมีความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตนี้ว่าจะต้องดีจะต้องเจริญจะต้องอยู่ไปตาบชั่วฟ้าดินสลายแล้วจิตใจของเราก็จะต้องผิดหวังแล้วก็จะต้องมีความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตนี้มันเปรียบมันเหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นด้ายเส้นหนึ่งมันจะขาดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ ดังนั้นเราจึงควรหันมาทําความรู้จักทําความเข้าใจกับชีวิตของเราว่าเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างแล้วเราควรที่จะปฏิบัติกับชีวิตีอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าชีวิตของมนุษย์เหล่านี้ก็ประกอบประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบห้าส่วนด้วยกันทรงเรียกว่าห้าขันขันห้า ขันห้านี้มีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่ารูปประขันอีกส่วนหนึ่งเรียกว่านามปะขันรูปประขันนี้ก็คือร่างกายของเราที่มีอาการสามสิบสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกเป็นต้นส่วนนามปะขันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในใจเรียกว่า มีอยู่สี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งเวทนาความรู้สึกเช่นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นเวลาเราเห็นภาพเราก็รู้ว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรเป็นภาพชายเป็นภาพหญิง เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มีชื่อว่าอะไรอย่างนี้เรียกว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดว่าจะทำอะไรดีวันนี้ไปวัดดีหรือไม่ไปทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้เรียกว่าสังขารความคิดปรุงและวิญญาณคือการรับรู้ รูปที่มาสัมผัสกับตาเสียงที่มาสัมผัสกับหูกลิ่นที่มาสัมผัสกับจมูกรสที่มาสัมผัสกับลิ้นและผลทัะคือสิ่งที่ร้อนหรือเย็นแข็งหรืออ่อนที่มาสัมผัสกับร่างกายเรียกว่าเป็นวิญญาณวิญญาณรับรู้สิ่งเหล่านี้ นี่คือองค์ประกอบของชีวิตของเรามีอยู่ห้าส่วนด้วยกันทั้งห้าส่วนนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงเช่นร่างกายรู ป, ปรขันธ์ที่มีอาการสาสิบสองนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการ เสื่อมคือแก่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ดับแตกสลายกลับคืนไปสู่ธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเพราะร่างกายนี้ได้มาจากดินน้ำลมไฟที่มาทางอาหารที่เรารับประทานกับทุกวันน้ำที่เราดื่มอากาศที่เราหายใจ เหล่านี้รวนเป็นธาตุทั้งสิ้นคือดินน้ำลมไฟเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายก็มาเปลี่ยนสภาพเป็นอาการสามสสองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีมีเนื้อเป็นต้นแล้วก็อยู่ไปจเจริญไปแล้วก็เริ่มเสื่อมไปแล้วก็เริ่มชำรุดเริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีความแก่ชรา แล้วก็มีการดับคือตายเมื่อดับแล้วธาตุที่อยู่ในร่างกายนี้ก็แยกตัวกันไปจนในที่สุดก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในร่างกายนี้เลยท่านจึงสอนว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์นี้เป็นเกิดจากความหลงคือหลงไปยึดไปติดว่าร่างกายนี้ เป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่มีความหลงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอันนี้เช่นร่างกายของคนอื่นเราไม่ไปหลงว่าเป็นของเราเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปหลงร่างกายของคนอื่นว่าเป็นของเราเช่นเป็นลูกเรา <dic> เป็นสามีของเรา <sistem> เป็นพ่อแม่ของเราเราก็จะทุกข์กับร่างกายอันนั้น ความจริงความเป็นสามีความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งแต่มันไม่ใช่เป็นความจริงที่แท้จริงมันเป็นความจริงที่เราสมมติกันขึ้นมาเช่นร่างกายสองคนมาอยู่ร่วมกันก็สมมุติว่าเป็นสามีเป็นภรรยากันเมื่อมีบุตรมีธิดาออกมาก็สมมติว่าเป็นลูกกันแต่ความจริงก็เป็นร่างกายเป็นรูปประคั เป็นธาตุสีดิ้นน้ำลมไฟที่ที่เจริญตอบโตกลายเป็นคนขึ้นมามีอาการ32ล้วนเป็นธาตุทั้งสิ้นแต่เนื่องจากเราขาดปัญญาขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเราจึงหลงยึดติดกับรูปประขันธ์อันนี้ถ้าเป็นรูปประขันธ์ที่จิต อ, อ, อาศัยอยู่ก็เรียกว่าร่างของเราตัวเรา ถ้าเป็นรูปประคันของสามีของภรรยาของลูกก็เรียกว่าเป็นรูปเป็นสามีเป็นภรรยาของเราแล้วถ้ามีความยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเราเมื่อไหร่ mm hmm. เมื่อมีอาการแปรปวนมีการเสื่อมไปก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาพราจะพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่ารูปประคันนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะมีอุ ป, ปทาน ความหลงไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราถ้าไม่มีความหลงไม่มีอุ ate, ปทานไปยึดมั่นถือมั่นเช่นรูปประคันของผู้อื่นที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเ <uk> มื่อเราไม่ไปยึดไปติดเวลารูปประคันรูปนั้นเกิดมีการเสื่อมไปเกิดมีการตายไปเราก็ไม่ทุกข์กับรูปประคันอันั้นๆ สังเกตดูคนที่เราไม่ได้รู้จักไม่ได้มาคิดว่าเป็นญาติสนิทมิตสหายเป็นเพื่อนเป็นสมบัติของเราเวลาเขาเป็นอะไรเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เวลาคนที่เราไปยึดไปติดว่าเป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นเป็นที่ดาพอมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาเราก็มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจทันที ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราปล่อยวางด้วยปัญญาคือต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆสอนเราอยู่เรื่อยๆจนเห็นชัดว่ารูปประกานนี้เป็นสักแต่ว่ารูปเป็นสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่มีใครสามารถมาเป็นเจ้าของดินน้ำลมไฟได้ดินน้ำลมไฟเขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขา ไม่มีใครสามารถที่จะมาบังคับให้ดินน้าลงไฟเป็นไปตามความต้องการของเขาได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเรายอมรับความจริงอันนี้เราก็ปล่อยวางได้คือเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี้ได้ร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะยอมรับได้เพราะว่าเรารู้ว่า ถ้าเรารับไม่ได้เราก็จะต้องทุกข์เราจะต้องวุ่นวายใจเราจะต้องเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราเห็นว่ามันก็เป็นดินน้ําเำฝนไฟที่มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอย่างนี้เรามีปัญญาเรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรู ป, ปรขันคือร่างกายเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ถ้าไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานั่นเองนี่คือปัญญาที่เราควรที่จะสร้างให้เกิดขึ้นการที่จะเกิดปัญญานี้ขึ้นมาได้เราต้องภาวนาคือเราต้องเราลึกถึงเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆวั น, ว, น, ว, นวันหนึในนี้ควรจะลกระเลึกอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยง ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทุกกับร่างกายอันนี้ก็อย่าไปยึดไปติดกับมันพยา ม, มันมองให้มันเหมือนกับเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองเสื้อผ้านี้ถ้าเราไปติดเราก็ทุกข์ได้เหมือนกันเช่นเราชอบเสื้อผ้าชุดนี้มันสวยเราใส่ทีไรแล้วเรารู้สึกว่ามีบุคลิคมีคนเข้าชมรอดสวยถ้าเกิดเสื้อผ้าชุดนี้ถูกใครขโมยไปเราก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาได้ เพราะเราไปยึดไปติดกับเสื้อผ้าชุดนั้นแต่ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดกับเสื้อผ้าชุดนั้นเวลามีใครจะมาขโมยไปเราก็จะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่ามันมาได้มันก็ต้องไปได้เพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอย่างนี้ทั้งสิน้นมาแล้วก็ต้องไปในที่สุดจะไปอย่างไรเท่านั้นเองจะไปช้าจะไปเร็วจะไปเพราะเรายอมให้มันไปหรือไม่ ถ้าเรายอมให้มันไปมันก็ไม่ทุกข์เช่นถ้าเราเบื่อชุดนี้แล้วเราก็อยากจะให้มันไปเร็วๆด้วยซ้ำไปมีใครมาขอได้ยิ่งดีจะให้ไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไปชอบไปยินดีมีใครมาขอก็เสียดายไม่อยากจะให้เพราะเรามีความยึดความติดอยู่กับมันดังนั้นโทษก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเรียกว่าอุปาทาน มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ว่าจะยึดติ ด, ตดกับอะไรก็จะต้องทุกขกับสิ่งนั้นเสมอดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นคือไม่สามารถที่จะไปยึดไปติดได้เพราะถ้าไปยึดไปติดแล้วก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจและต้องทุกข์เนี่ย แต่ถ้าไม่ยึดไม่ติดี่ก็จะไม่ทุกข์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้เราต้องโยนทิ้งไปทันทีเช่นร่างกายอันนี้เมื่อเราไม่ยึดไม่ติดแล้วเราก็ไปโดดตึกตายทันทีอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าทําความรู้ไว้ว่าสักวันหนึ่งร่างกายนี้มันก็ต้องมรณะมันก็ต้องหมดไปขอให้รู้ไว้ล่วงหน้าก่อนเท่านั้นเองแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้ พร้อมที่จะให้มันเกิดขึ้นถ้าเมื่อใจพร้อมแล้วใจจะไม่หวั่นไหวใจจะไม่ว้าวุ่นใจจะไม่ทุกข์นั่นเองนี่คือปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคําว่าภาวนานี้ก็คือพยายามสร้างความรู้นี้ให้เกิดขึ้นในจิตให้ได้อย่าสักแต่ว่าฟังฟังแล้วเดี๋ยวพอออกจากศาลานี้ไปแล้วก็ลืม ถ้าลืมแล้วอุปทานมันก็จะกลับมาทันทีมันก็จะยึดทันทีมันก็จะติดอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการของตนนี่เพราะว่าไม่มีภาวนาอยู่ในจิตใจนั้นเองถ้ามีภาวนาคือภาวนาไมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาก็หมายถึงว่าความคิดของเราทุกขณะ ต้องคิดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่เสมอต้องคิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันห่างไกลจากจิตจากใจของเราเมื่อมันไม่ห่างไกลจากจิตจากใจแล้วความหลงมันก็ไม่สามารถที่จะมาหลอกให้จิตไปยึดไปติดได้นั่นเองเพราะถ้าจะมาหลอกปั๊บมันก็จะมีปัญญาคอยหักห้ามจิตใจทันทีเช่นสมมุติเราเห็นอะไรที่สวยงามแล้วเกิดความชอบ ก็อยากจะได้ขึ้นมาเป็นเจ้าของถ้าเรามีปัญญามันก็จะมาเตือนทันทีว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขมันไม่ใช่สมบัติของเราเราไม่สามารถที่จะควบคุมให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดถึงแม้เราจะได้มันมาในวันนี้แต่พุ่งนี้เราอาจจะต้องสูญเสียมันไปแล้วเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่ง สู้ไม่ไปมีสิ่งเหล่านั้นดีกว่าคือตัดใจเสียถ้าเราตัดใจได้ใจเราก็จะสงบลงเมื่อสงบลงใจก็จะมีความเย็นมีความสุขมีความสบายสาเหตุที่ใจของพวเรานั้นมันไม่มีความเย็นไม่มีความสุขก็เพราะมันมีความหลงอยู่ในใจหลงความหลงที่คอยหลอกล่อให้ใจเกิดความอยากได้เกิดความอยากต่างๆนานา เมื่อมีความอยากแล้วก็เกิดความดิ้นรน <c oughs> เกิดความท <c oughs> ุรนทุรายต้องพยายามแสวงหาสิ่งที่ต้องการให้ได้ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้อยู่ไม่เป็นสุขเพราะจิตใจมีตัณหาเกิดขึ้นจากความหลงแต่ถ้ามีปัญญาแล้วจะสามารถดับความหลงได้ พราะมองอะไรไปอย่างไรมองไปที่ไหนมองอะไรก็จะล้วนเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของที่ไม่ใช่สมบัติของเราเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถนำมาครอบครองไว้เป็นของของเราได้เลยล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับเราทั้งสิ่นนี่ถ้ามีภาวนาเมายาปัญญาคือปัญญาที่มีอยู่ในจิตใจเราอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่มีแต่นานๆโผล่ขึ้นมาทีเช่นเวลาไปงานศพใครสักทีถึงจะนึกได้ว่าอ๋อคนเราเกิดมาแล้วต้องตายเนาะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าภาวนามายปัญญาภ า, ภาวนามายปัญญานี้ต้องเป็นแบบทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจเข้าก็รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายหายใจออกไปก็รู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ หายใจเข้ามาก็รู้ว่าเกิดมาเราต้องเจ <c oughs> ็บไข้ได้ปวดหายมาหายใจออกไปก็รู้ว่าจะต้องพัดผ้าจากของรัดของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีปัญญาแบบนี้อยู่ในใจแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องการอะไรเพอาะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิน้นนี่คือเรื่องของรู ป, ปรขัน ส่วนานมามขันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันคือเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเช่นเวทนาความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ได้ตั้งอยู่ไปตลอดเช่นวันนี้มีความสุขเดี๋ยวสักครู่หนึ่งความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็มีความทุกข์กลับเข้ามาแทนที่ แล้วเดี๋ยวก็มีความไม่สุขไม่ทุกข์กลับเข้ามาแทนที่หมุนเวียนสลับผัดเปลี่ยนไปถ้าไม่ฉลาดไม่รู้ทันก็จะวุ่นวายใจเวลามีความสุขก็วุ่นวายแบบหนึ่งคือวุ่นวายที่จะรักษามันให้มันอยู่ไปนานๆเวลามีความทุกข์ก็มีวุ่นวายที่พยายามที่จะกําจัดให้มันหายไปทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปทําอะไรกับมัน เพียงแต่อยู่เฉยๆรู้วันต่างความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็หายของมันเองเดี๋ยวมันทุกมันทุกได้เดี๋ยวมันก็หายได้มันสุขได้ก็มันก็หายได้เหมือนกันถึงแม่อยากจะให้มันสุขไปตลอดพยายามรักษามันยังไรมันก็ไม่สุขไปตลอดถึงเวลามันก็จะต้องพัดภากไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ถ้าเรามีปัญญารู้ทันเวทนา เราก็สามารถที่จะปล่อยวางเวทนาได้เวลามันสุขก็รู้ว่าสุขเวลามันทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปมันไม่อยู่กับที่เสมอแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปบังคับให้มันอยู่ตามความต้องการได้มันสุขอยากจะให้มันสุขไปตลอดก็ไม่ได้มันทุกข์อยากจะให้มันหายไป ท, ทันทีก็ไม่ได้ เดี๋ยวมันก็หายเองมันถึงเวลาหายมันก็หายถึงเวลามันจะมามันก็มานี่คือปัญญาที่เราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนามขันคือเวทนาเวทนานี้เป็นตัวที่เราจะต้องให้รู้ทันให้ได้เพราะถ้าเมื่อเรารู้ทันแล้วเราก็จะปล่อยวางมันได้เราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนไปวุ่นวายเวลาสุขก็สวยความสุขไป เวลาทุกข์ก็เสวยความทุกข์ไปคือไม่ได้คือให้รู้แล้วก็รู้แบบอุเบกขาคือรู้แล้วปล่อยวางสุขก็สุขสุขก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปทุกข์ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปถ้าเราทําใจของเราให้นิ่งให้เป็นปกติให้เป็นอุเบกขาได้สุขทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ในใจให้เกิดขึ้นได้นะ ดังนั้นเราจึงต้องพยายามหมั่นทําจิตใจของเราให้นิ่งให้สงบให้ได้ด้วยการทําสมาธิคือไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งขัดสมาหลับตาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปในใจอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจไป <c oughs> คิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปมีสติรู้ทันอยู่ตลอดเวลาว่า จิตนี้กำลังอยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือไม่ถ้ามีสติจะรู้อยู่ทุกขณะว่ากำลังบริกรรมอยู่หรือเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแล้วถ้าไม่มีสติจะไม่รู้เพราะบริกรรมพุทโธไปก็เผลอคิดไปด้วยพร้อมๆกันพุทโธไปคำก็คิดถึงตอนกลางวันจะกินอะไรดีพุทโธไปคาก็ตรงนี้จะไปไหนดีมันก็จะไม่สงบ แต่ถ้ามีแต่พุโทโธอยู่อย่างเดียวไม่มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกเดี๋ยวจิตก็จะสงบจะตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นอุเบกขาขึ้นมาเมื่อมีอุเบกขาแล้วเวลาเกิดเวทนาชนิดใดมาก็จะไม่มีความวุ่นวายใจเกิดขึ้นคือจะรับรู้เฉยเฉยรู้ว่าเวทนาก็สักตาเป็นเวทนาสุขก็เป็นสักตว่าสุขทุกข์ก็สัตตว่าทุกข์ แต่มันจะไม่สามารถมาทำให้ใจของเราทุกไปกับมันได้เพราะใจของเราปล่อยวางด้วยความนิ่งเฉยนั่นเองด้วยสมาธิด้วยปัญญารู้ว่าไปอยากไม่ได้ไปต้องการให้มันเป็นไปอย่ญญางที่อย่างอื่นไม่ได้มันสุขอยากจะให้มันสุขไปนานๆก็ไม่ได้มันทุกข์อยากจะให้มันหมดไปในทันทีทันใดก็ไม่ได้ ท่า น, นมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ก็คือทำใจให้นิ่งเสียให้รับรู้ตามความเป็นจริงของมันถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้นิ่งอยู่ได้โดยตลอดเวลาไม่ว่าชีวิตของเราจะไปเผชิญกับอะไรอย่างไรใจของเราก็จะไม่มีความว้าวุ้นขุน่วัวเวลาชีวิตของเราไปเจอกับสิ่งที่ดีท้่ ที่งามทั้งหลายก็ไม่ไปคิดอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันดีในวะันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ไม่ดีได้ฝนยังมีตกได้หยุดได้เลยพ้าทิตยังมีขึ้นยังมีตกได้เลยแล้วสิ่งต่างๆในโลกนี้มันทำไมจะไม่มีขึ้นไม่มีลงได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้น มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ไปตลอดถ้าเรามีความฉลาดรู้ทันมีภาวนามายปัญญาอยู่ภาในจิตใจของเราแล้วเวลาชีวิตเราดำเนินไปเจอสุขก็ดีเจอทุกข์ก็ดีเราก็จะไม่หลงยึดไปกับสุขยึดไปกับความทุกข์ คือเราจะปล่อยให้ความสุขความทุกข์ของนั้นให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเราเรามีหน้าที่ทำาอรไรของเราเราก็ทำไปหน้าที่ของเราก็คือทำความดีไว้อย่าไปทำความชั่วเพราะความดีนี้จะสร้างความสุขขึ้นมาแต่ถ้าเราไปทำความชั่วมันก็จะสร้างความทุกข์ตามมาเมื่อเราสร้างแต่ความดีเรื่อยๆไม่สร้างความทุกข์ต่อไป ความสุขมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆมันจะไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะสุขและทุกข์นี้มันก็เกิดขึ้นจากการกระทําของเราทางกายวาจาใจถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขก็จะตามมาเสมอถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีคือคิดคิดในทางการทําบาปในการพูดหรือทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรม มันก็จะพาความทุกข์มาให้กับเรานี่คือหน้าที่ของเราคือการกระทําเราควบคุมการกระทําได้เราสามารถบังคับใจเราให้ทำดีได้เราสามารถบังคับใจเราให้ละเว้นจากการกระทำความเชั่วได้แต่เราไปควบคุมผลที่เกิดจากการกระทาไม่ได้คือความสุขหรือความทุกข์เมื่อมีการกระทําแล้ว มันก็จะต้องมีผลเกิดขึ้นตามมามีสุขบ้างมีทุกข์บ้างตามมาเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรามีปัญญามีสมาธิเราก็สามารถที่จะรับกับผลบุญกรรมที่เราได้ทำไว้ได้ไม่ว่าบุญกรรมนั้นจะเคยทำมานานสักเท่าไหร่ในอดีตชาติแลว้วก็ตามเมื่อมันถึงเวลาที่มันจะปรากฏขึ้นมา มันก็จะไม่ทำให้จิตใจเราต้องหวั่นไหวเพราะเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับชีวิตของเราแล้วเราไม่กลัวความทุกข์และเราก็ไม่วิ่งเข้าหาความสุขคือเราจะตั้งอยู่นั่งอยู่เฉยๆตั้งอยู่เฉยๆรับมันมาอย่างไรก็รับได้เพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะสามารถทำลายใจยได้ทุกเวทนาก็ไม่สามารถทำลายใจยได้ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ไม่สามารถไปทำลายร่างกายให้ใจอันนี้ได้ใจเป็นนามธรรมใจเป็นสิ่งที่ไม่ตายาย จ, จะสุขใจจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามีปัญญาหรือมีโมหะเท่านั้นถ้ามีโมหะความหลมก็จะมีแต่ความทุกข์หลงเล่าจิตใจถ้ามีปัญญาก็จะมีแต่ความสุขหุมเลา้าอ้อมล้อมจิตใจ เรา จ, จึงควรที่จะให้ความสําคัญต่อการศึกษาชีวิตของเราศึกษาเรื่องกันฆ่าให้เห็นชัดแจ้งการที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่าเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์ถ้าไม่ยธ์ไปติด